ก่อนที่จะมานี่นะคะก็ไปสมัครกับแต่แต่ดิฉันนะคะตั้งใจเวลาดิฉันทําอะไร ก็มักจะชวนเพื่อนไม่เคยไปไหนคนเดียวค่ะจะเดินไปห้อง พระอาจารย์โควิดว่าพระอาจารย์อื่นจะสอนจําแนกเรื่องการก็ คือคืออยากจะพูดความรู้สึกของพวกเราหลายๆคนนะคะก็พยายามเข้าอยู่เหมือนๆกัน <c oughs> ได้ข้อคิดอยู่อย่างนึงนะที่ ตรงๆคนที่ยังไม่พูดคือยังไม่ได้พูด จะชอบส่วนไว้ชอบเที่ยวชอบส่วนตัว ก่อนอื่นนะคะขอใช้แทนตัวเองว่านิดนะคะตอนแรก คืนแรกนอนไม่หลับสันติเมธีนะฮะรู้สึกว่านอนไม่หลับคือไม่ใช่ว่าคิดมากนะฮะคือๆอย่างคนหมู่มากอย่างเงี้ยน่า การอยู่ร่วมกันก็ปกติคือมี เพื่อนก็มีความเมตตากันเอื้อเฟื้อเผื่อกันแล้วพวกส่วนมากก็ต่างคนก็มีสมาธิกัน รู้สึกว่าพี่ๆที่นี่ดีมากเลยค่ะก็ตอนแรกหนูคิดว่าหนูก็จะมาบวชแต่มาคิดดี ท่านอาจารย์ที่โรงเรียนได้จัดการเข้าค่ายจริยธรรมก็รู้สึก ใจดีด้วยเจ้าพ่อญาติโยมที่นี่นะคะมีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่มากกะและจากการๆเข้าก็รู้ ก็มานนบนกระดานที่เข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ ค่ะรู้สึกว่าเจ้ารู้อย่ามาบวดเลยว่าเมื่อก่อนนึงกับแม่ ผมผมจะเล่านิทานให้ฟังนะครับตั้งใจฟังว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นบทสรุป <c oughs> เอ่อนิยายนี้ผมอ่านจากหนังสือของชาวตุรกีครับทุกครั้งใครฟังแล้วก็ๆแล้วฉลาดมาก<ด> คิดมือไปด้วยความเฉลองเธอ ใครก็ตามครับที่สามารถตั้งคําถามให้เธอจนได้เพราะเจ้า <c oughs> แล้วถามกฎกาว่าผู้หมายมั่นจะแต่งงานกับเธอหรือผู้ผู้นั้นสามารถแต่งตั้งตัวต้องตายทั้งและผู้ที่ เจ้าชายน้อยเจ้าชายใหญ่ก็มาเพราะเธอๆแล้วฉลาดด้วยแต่ก็ตายกันเป็นเบือครับเพราะว่าตั้งคําถามเช่นไร กษัตริย์มันมั่นๆกลับกลุ่มเพราะตัวทั้งนั้นตัวหมัดนี่เป็นๆเลยครับครับเมื่อสอบถาม <c oughs> หอยไปสมัครกันเถอะจะได้คล้องคู่แน่ๆเจ้าชายและ วันแรกอม่าก็ไปทําหน้าที่แทนนะครับถามต่อหน้าเจ้าหญิงจนตกเย็นนะครับหมดไปวันนึง คืนนั้นอมาร์ก็นั่งเพ่งตั้งสติตั้งสมาธิคิด แต่เมื่อคืนนั้นน่ะหมาก็ไม่ยอมนอนเค้านั่งสมาธิทั้งคืนเลยฝ่ายเจ้าชราก็นอนก่ายน้ําพากพลตกดึกครับ <laughs> ปัญหาของอมาตนั้นเป็นปัญหาที่ต้องเล่านิทานครั้งหนึ่งยังมีเจ้าหญิงคนหนึ่งสวยงามว่าเธอได้ตั้งกติกาว่าผู้ที่ฉลาดกว่าเธอต้อง 3 วันวัน กราบหม่อมขอถามว่ามีปัญหาอะไรที่ก็แพ้กับพ่อเอาเรื่องของเรื่องตอนเรา มันเป็นเรื่องสนุกผมอ่านเลยเรื่อง 30 ปีที่ๆยังไม่ลืมเลย 30 ปีแล้วประมาณ 30 ผมอ่านตอนอยู่สําคัญนะผม ลองฟังซะเลยนะครับฟังตีความแบบปริศนาธรรมเจ้าชายๆนี่แหละเนี่ยร่างกายเนี่ยมันมันคิดอะไรไม่ พอเอาสติมาประกบกับกายเข้านะหรือพอสติดีเรียกว่าถึงขั้นจิตตานุปัสสนาสมมุติจิตกำลังคิดอยู่ก็ย้อนหัวหอกกลับไปตัว มันต้องคิดให้เปรืองสมองเอาเรื่องเจ้าหญิงมันยอมเจ้าหญิงจบเข้าใจมั้ยครับงั้นนั้นช่วยจํานิทานนี้ไว้เล่าเด็กครับหรือเผลอๆขึ้นมาสมมุติว่าเราเดินในตลาดที่โรงเรียนมีเรื่องวุ่นวายใจนี้ก็ เรื่องจะจบทันทีละวุ่นวุ่นเอนี่มันวุ่นเนี่ยพอเห็นครับเริ่มดีขึ้น